อ้อยเป็นเหตุป้ฝ้ายซึ่งเป็นญาติอยู่ใกล้ๆกันนั้นแกมีสวนอ้อยเมื่อป้าฝ้ายเห็นท่านแกก็จะหักอ้อยให้ท่านกินอยู่บ่อยๆคราวหนึ่ง ท่านนึกอยากกินอ้อยจึงเดินไปที่สวนนั้นแต่วันนั้นป้าฝ้ายไม่อยู่แกไปทุ่งนาด้วยความที่ยังเด็กอยู่มากอีกครั้งป้าฝ้ายก็เคยหักอ้อยให้กินเป็นประจำอยู่แล้วคราวนี้นึกอยากขึ้นมาอีกก็เลยถือโอกาสหักอ้อยมากินเองเสียเลย ทั้งก็ไม่มากอะไรเพียงลำหนึ่งเท่านั้นคงจะไม่เป็นไรคิดเช่นนั้นจึงหักเอามากินคุณตาเห็นหลานกำลังกินอ้อยอยู่และก็ทราบด้วยว่าวันนั้นป้าฝ้ายไม่อยู่คิดจะสอนหลานจึงพูดขู่ให้หลานกลัวว่า ก่อนก่อนเคยไปกับป้าฝ้ายแกเอาให้กินก็จริงแต่ทีนี้ป้าฝ้ายไม่อยู่แล้วไปเอามากินมันก็ผิดนะพ่อแม่ก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เป็นขโมยนะจากนั้นคุณตากแกล้งหันไปพูดกับแม่ของท่านว่าสูเอ้ยตำข้าวใส่ถุงใส่ท้ายให้มันเน้อ เดี๋ยวตำรวจก็จะมามัดคอมันไปใส่คุกใส่กรงขังหรอกได้ยินดังนั้นปรากฏว่าหลานร้องไห้เสียจนจะเป็นจะตายกลัวว่าตำรวจจะมาจับจริงๆจากนั้นก็รีบวิ่งอย่างเร็วไปหาผ้าฝ้ายจนถึงที่นาของแก่เลยทีเดียว ไปถึงก็พยายามจะบอกป้าฝ้ายว่าได้เอาอ้อยไปกินลำหนึ่งแล้วเมื่อป้าฝ้ายเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วรู้สึกสงสารหลานเลยพูดปลอบว่าโอ้ยกูไม่หวงหรักบัวเอาได้เลยนะที่หน้าที่หลังถ้ารู้ว่าอะไรที่เป็นของป้าฝ้ายก็ให้เอาได้เลยนะ ประทายว่าอย่างนั้นหลานก็เลยรู้สึกอุ่นใจสบายใจขึ้นทันทีปกติท่านเป็นที่รักของคนทั่วไปทั้งผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงวัยเดียวกันเพราะนิสัยที่เป็นคนมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือการงานผู้อื่นอยู่เสมอหากไปไร่ไปสวนกับใครก็ตามท่านจะช่วยเหลือทุกอย่างที่จะช่วยได้เช่นช่วยทําการทํางานช่วยหาช่วยถือสิ่งของใครๆก็เลยรักท่านทั้งนั้นไม่มีใครคิดหวงข้าวหวงของอะไรกับท่าน